เพื่อมาสะสมทรัพย์ภายในเพราะทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่สามารถเอาติดไปกับใจได้เป็นทรัพย์ที่ถาวรส่วนทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ชั่วคราวเอาไปไม่ได้หลังจากตายไปแล้วมีเงินกองเท่าภูเขา เวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ทรัพย์ภายในคือบุญกุศลนี้เอาไปได้เต็มที่มีเท่าไหร่ก็เอาไปได้เท่านั้นแล้วจะทำให้พบหน้าชาติหน้าจะเป็นพบชาติที่ดีกว่าพบนี้พวกเราที่เกิดมานี้เรามีความ แตกต่างกันในด้านทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในด้านของรูปร่างหน้าตาในด้านของสติปัญญาความรู้ความฉลาดในด้านของความดีความชั่วก็เป็นเพราะว่าเราสะสมทรัพย์ภายในมาไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่สะสมทรัพย์ภายในมามากก็จะมีทรัพย์ ภายนอกมากมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคงมีความคิดดีพูดดีทำดีไม่ชอบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนี่เป็นอนิสงส์ของการที่เราได้สะสมทรัพย์ภายในเอาไว้เราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลา กับการสะสมทรัพย์ภายนอกให้มากจนเกิดไปก็จะเสียเวลาไปกับเปล่าเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้เวลาอยู่ก็จะเป็นภาระเป็นเรื่องที่จะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีทรัพย์ภายนอก พอเพียงอย่างที่ในหลวงทรงตัดสอนประชาชนชาวไทยอยู่เสมอให้มีเศรษฐกิจพอเพีย ง, ยงก็คือให้มีทรัพย์พอเพียงต่อการดารงชีพทำให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุวไม่เดือดร้อนไม่ยากไม่ลำบากพอพอแล้วอย่าไป หลมกับทรัพย์ภายนอกอย่าไปคิดว่าทรัพย์ภายนอกนี้เป็นสิ่งที่จะสามารถโดนบันดาลสวรรค์หรือมรรคผลนิพพานให้กับเราได้ทรัพย์ภายนอกนี้ถ้ามีมากเกินไปจะกลายเป็นเหตุของนรกของอบายไปเสียมากกว่าเพราะเมื่อมีทรัพย์แล้วแทนที่จะ มีทรัพย์มากๆแล้วแทนที่จะพอกลับจะเกิดความโลภมากขึ้นไปอีกแล้วก็จะเกิดความกล้าที่จะทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์หรืออำนาจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะทรัพย์นี้สามารถซื้อบาปได้ใช้คนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ใช้คนไปฆ่าผู้อื่นได้ แต่หารู้ไมมว่าการใช้ทรัพย์แบบนี้กลับเป็นการทําลายตนเองเป็นการสร้างนารกสร้างอบายให้แก่ตนหลังจากที่ตายไปแล้วจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปแต่ถ้าเรามีทรัพย์ภายนอกพอเพียงแล้วเราอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแล้วใช้เวลาของเรา มาสร้างทรัพย์ภายในเราจะมีความสุขใจอิ่มใจความพอใจจะทำไม่ให้จะไม่ทำให้เราต้องเกิดความโลภเกิดความอยากมีทรัพย์มากขึ้นไปมีอํานาจมากขึ้นไปมียศสูงขึ้นไปเพราะเรารู้ว่าความสุขภายนอกนั้นสู้ความสุขภายในไม่ได้ ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ภายในนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายนอกดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในกันอย่างวันนี้คนที่เขาต้องการสร้างทรัพย์ภายนอกเขาก็จะไม่มีเวลามาวัดเพราะเป็นวันธรรมมาหากิฑ แต่ผู้ที่มีความสุขจากทรัพย์ภายในเห็นคุณประโยชน์ของทรัพย์ภายในก็จะยอมสละเวลาการหาเงินหาทรัพย์ภายนอกเพื่อที่จะได้มาหาทรัพย์ภายในเพราะทรัพย์ภายใ น, นี้เป็นทรัพย์ของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถที่จะ มาแยกจากเราไปได้แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากทรัพย์ภายในจากเราไปได้เพราะทรัพย์ภายในนี้อยู่กับเราเราไปไหนเขาก็จะไปกับเราเขาจะเป็นผู้ที่ดูแลเราให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่ว่าจะอยู่ในภพใดภูมิใดฐานะใดก็ตาม สักภายในนี้จะคอยดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่จะต้องไปสัมผัสเนื่องจากกรรมเกร่ารที่เคยทำไว้แต่จะไม่มีความรุ่มร้อนจิตใจจะมีความเย็นความสบาย จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็เป็นเพียงความทุกข์ยากภายนอกแต่ความทุกข์ยากภายในจะไม่มีเพราะมีความสุขความสบายที่มีทรัพย์ภายในคอยหล่อเลี้ยงให้แก่จิตใจนั่นเองดังนั้นเราจึงควรรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง แบ่งเวลาไว้สําหรับการหาทรัพย์ภายนอกส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเวลาหาทรัพย์ภายในอีกส่วนหนึ่งผู้ที่ฉลาดก็จะแบ่งเวลาสําหรับทรัพย์ภายนอกไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วเอาเวลาทั้งหมดนี้มาหาทรัพย์ภายในกันแต่ผู้ที่ยังไม่ฉลาดหรือผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจาก ทรัพย์ภายในก็ยังอาจจะไม่สามารถแบ่งเวลามาให้กับการสร้างหรือสะสมทรัพย์ภายในได้เท่ากับคนที่เคยเห็นเคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ภายในแล้วเช่นนักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายที่บวชไม่สึกนี้เพราะเขามีทรัพย์ภายใน หล่อเลี้ยงจิตใจของเขาทำให้ใจของเขามีความสุขความสบายยิ่งกว่าความสุขที่เขาเคยได้รับจากทรัพย์ภายนอกเขาจึงมีความกล้าหาญที่จะสละทรัพย์ภายนอกแล้วทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้แก่การหาทรัพย์ภายในด้วยการออกบวชเริ่มต้น ตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระ อ, องค์แรกท่านเป็นจอมศาสดาท่านเป็นผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความฉลาดในเรื่องของการหาทรัพย์ภายในท่านมีทรัพย์ภายนอกมากมายแต่ท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขเท่ากับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนอกจากมีความสุขแล้วยังมีความทุกข์ แถมมาอีกหลายร้อยเท่าความสุขที่ได้จากทรัพย์ภายนอกนี้เพียงเท่าเดียวแต่ความทุกข์ที่ได้จากทรัพย์ภายนอกนี้มีมาเป็นหลายร้อยเท่าของความสุขของทรัพย์ภายนอกมีเงินมีทองก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆที่สามารถที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรได้แต่ก็ต้องมา ดูแลรักษาคอยห่วมคอยหว่วงแล้วเวลาสูญเสียไปก็จะเสียอกเสียใจแล้วถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็จะสร้างโทษขึ้นมาอย่างมหาเช่นเอาไปใช้กับอบายยมุก ต, ต่างๆคนเราเวลาไม่มีมีเงินมีทองจะไม่ค่อยได้ไปใช้กับทางอบายยมุกเพราะจะต้องเอามาใช้กับปัจจัยสี่ แต่พอมีมากแล้วทีนี้ก็จะเอาไปใช้ในทางอบายมุกเอาไปเล่นการพนันเอาไปดื่มสุรายาเมาเอาไปเที่ยวแล้วก็จะทำให้จิตใจนั้นตกต่าเพราะเมื่อใช้มากๆแล้วเงินทองที่เคยเหลือกินเหลือใช้ก็จะไม่พอใช้ก็จะต้องไปหา ซับด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปทําผิดศีลผิดธรรมไม่สามารถมาวัดเพื่อมารักษาศีลได้เพราะติดสุรายาเมาเพราะติดการเที่ยวเพราะติดการเล่นการพนันเพราะติดกับการที่จะต้องไปหาเงินมาใช้กับการเล่นการพนันการเที่ยวการเสพสุรายาเมาก็จะหาทรั์แบบวิธีที่ไม่ชอบ ไปช่อโกงไปลักขโมยไปหลอกลวงผู้อื่นนี่ก็เป็นการสร้างนรกสร้างอบายให้กับตนเองเนื่องจากมีทรัพย์มากเกินไปถ้ามีทรัพย์พอเพียงแล้วรู้ว่าไม่ควรใช้ทรัพย์ไปในทางที่เสียหายควรจะใช้ทรัพย์เพื่อมาดูแลอัตภาพร่างกายถ้ามีเหลือมากก็แทนที่จะเอาไป ซื้อสุรายามาเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นการพนันก็เอามาทาบุญเอามาบริจาคเรียกว่าจากะมาเสียสละประโยชน์สุขที่เรามีเหลือเฟือนี้ให้แก่ผู้อื่นเมื่อทำไปแล้วก็จะกลายเป็นรั์ภายในขึ้นมารั์ภายในนี้ก็มีศรัทธาจากะศีลและปัญญา อย่างที่ญาติโยมมานี้ได้มาวัดก็จะได้มาสะสมศรัทธาจาคะศีลและปัญญาศรัทธาก็คือความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้นำทางที่ดีที่สุดเป็นผู้ที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริง สู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีใครที่จะพาเราไปได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปฟังผู้อื่นไม่ต้องไปหาหมอดูหมอดูบอกให้ทำอะไรถ้าขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปทำตามเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร หรืออาจจะเกิดโทษก็ได้พราะหมอดูบางคนก็อาจจะสอนให้เราทําพิธีบูชายันให้เราฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อที่จะสละเคราะห์กรรมต่างๆวิธีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีสะดาะเคราะห์กรรมแต่เป็นการสร้างเคราะห์กรรมให้มีมากขึ้นไปการกระทำอะไรก็ทําถ้าผิดศีลแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมแต่เป็นการสร้างเคราะห์กรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอกีกดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไม่ต้องไปหาผู้อื่นไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาเซียนไม่ต้องไปหาเทวดาที่ไหนมาสอนเรา เพราะไม่มีใครจะเป็นสุดยอดของผู้สอนก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ท่านเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดาแม้แต่เทวดาก็ยังต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอริยสงฆ์พวกเรามีอาจารย์ที่ดีที่วิเศษแล้วแล้วเราทำไมต้องไปหาอาจารย์ที่ไม่ดีไม่วิเศษให้เสียเวลาไปเปล่าๆทาไม ให้เราเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากทำก็พอแล้วสิ่งที่ท่านเชื่อที่ท่านสอนให้เราเชื่อหลักๆก็คือให้เชื่อกฎแห่งกรรมให้เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยากไปทำบาปให้ทำความดีพระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละให้ละบาปทั้งปวงเสีย นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เชื่ออย่างนี้แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันท่านได้หลุดพ้นจากการมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในกรรม เชื่อว่าทากรรมแล้วจะต้องไปใช้ทุกข์ใช้กรรมจะต้องวุ่นวายไม่มีวันจบสิ้นถ้าทาแต่ความดีแล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเราจะไปหาคนอื่นหรือคนอื่นจะมาสอนให้เราเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอให้เราเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าดูว่าตรงกันหรือไม่ถ้าขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธไปได้เลยอย่าไปเชื่ออย่าไปทำตามถ้าไม่เกิดโทษก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆเช่นบัมทีเขาสอนให้เราไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนทิศทางของห้องนอนเปลี่ย น, นยอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้เรื่องราวเหล่านี้ทาไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ที่การทำความดีถ้าเรายังไม่ได้ทำความดีก็ขอให้เราทำความดีกันท่านสอนให้เราสร้างทรัพย์ภายในขึ้นมาด้วยการทำความดี ซับภายในข้อที่สองก็คือจากะคือการเสียสละเสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ไม่มีประโยชน์สุขเห็นผู้ใดเดือดร้อนนรมีเงินทองพอแบ่งปันให้เขาได้หรือถ้าเขาขาดแคลนปัจจัยสี่เราก็แบ่งให้กับเขาบ้างแบ่งข้าวให้เผารับประทาน แบ่งเสื้อผ้าอาสเสื้อผ้าให้เขาได้มีสวนใส่แบ่งยารักษาโรคให้เขาได้มีเอาไว้ใช้แบ่งที่อยู่อาศัยให้แก่เขาถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆนี่เรียกว่าจาคะเราต้องเสียสละอย่าคิดเอาแต่ได้เพียอย่างเดียวเพราะความคิดที่อยากจะได้นี้เป็นว่าเป็นความโลภเป็นความเป็นจีเละ เป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจของเราสื่อมทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองไม่มีความสุขต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรเราก็ยังจะไม่รู้จักคำว่าพอเราก็ยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆความโลภความอยากนี้ไม่มีของไม่มีฝั่งไม่เหมือนกับน้ำในมาหาสมุทร ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบยังมีฝั่งแต่ความโลภความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่จะไม่รู้จักคำว่าพอแล้วเมื่อไม่มีควาว่าพอก็จะไม่มีคำ ว, ว่าอิ่มไม่มีคำ ว, ว่าสุดเพราะความหิวนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกว่ายังไม่สุดยังไม่อิ่มยังไม่พอ ดังนั้นเราต้องรามัดระวังเรื่องของความโลภเรื่องของความอยากเวลาอยากจะได้อะไรต้องถามว่ามันจําเป็นหรือไม่ถ้าขาดมาแล้วชีวิตของเราจะเดือดร้อนหรือไม่จะตายหรือไม่ถ้าเดือดร้อนหรือจะตายอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภแต่เรียกว่าเป็นความจําเป็นเช่นขาดอาหารนี้ เป็นความจำเป็นร่างกายต้องรับประทานอาหารให้พอเพียงแต่ถ้าอยากรับประทานมากกว่าความต้องการของร่างกายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภเช่นรับประทานอาหารเสร็จแล้วยังอดที่อยากจะกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆอีกไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภและจะเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจ เพราะจะทำให้ร่างกายนี้อ้วนมีน้ำหนักมากเกินไปแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียเดเบียนจะมีอายุที่ไม่ยืนยาวนานเนื่องจากกินมากเกินไปเพราะโลภมากต้องรู้จักกินพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานให้พอดีเหมือนกับใส่รองเท้า ก็ใส่รองเท้าขนาดที่พอดีกับเท้าของเราถ้าใหญ่เกินไปใส่ก็หลวมใส่ก็ไม่สบายถ้าคับเกินไปใส่ก็ใส่ไม่ได้หรือถ้าใส่ก็จะเจ็บเท้าต้องเอาพอดีการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้พอดีรับประทานมากเกินไปก็จะเป็นโรคภัยต่างๆ รับประทานน้อยเกินไปร่างกายขาดสารอาหารก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกันต้องรู้จักรับประทานให้พอดีและต้องเลือกอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายอาหารชนิดใดที่กินแล้วทำให้เกิดโรคก็ควรที่จะรู้จักลดให้น้อยลงหรืออย่าไปรับประทานเลยเช่นของหวาน ของมันๆอย่างนี้เป็นต้นหรือของเค็มๆอะไรที่มันหวานเกินไปเค็มเกินไปนี่มันจะมันเกินไปมันจะต้องเกิดโทษกับร่างกายต่อไปจะเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันอายุจะอยู่ไม่ยืนยาวนานถ้ารับประทานอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นอันตรายเช่นกินผักกินข้าว กินผลรไม้อย่างนี้จะไม่เป็นอันตรายจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของพวกนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายเหมือนกับของหวานหวานมันๆเข็มๆดังนั้นเวลารับประทานอย่าไปรับประทานเพื่อรสชาติอย่าไปรับประทานให้เกิดความสุขจากการรับประทานให้รับประทานเหมือนกับรับประทานยา เวลาเรารับประทานยาเราไม่ได้คำนึงถึงว่ายาจะสวยงามหรือไม่จะมีรสชาติอร่อยหรือไม่เรารู้ว่าเรารับประทานยาเพื่อที่จะรักษาโรคที่มีอยู่ภายในร่างกายยาจะเป็นเม็ดกลมเม็ดเหลี่ยมเม็ดยาวเป็นยาน้ำหรือเป็นยาอย่างไรก็ไม่สาคัญขอให้มันเข้าไปในร่างกายของเราแล้ ว, ลวก็ใช้ได้ ฉัในใดการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้เหมือนกับรับประทานยาให้มองเห็นอาหารว่าเป็นยารักษาร่างกายให้รักให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายถ้าไม่ได้รับประทานยาอาหารแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่จำเป็นถ้าเราจะต้องการรับประทานอาหาร ถ้าถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารแ ล, แล้วรับประทานพอประมาณอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภไม่เรียกว่าเป็นความอยากเหมือนกับเวลาถึงเวลาที่เราต้องรับประทานยาเราไม่เคยคิดว่าการรับประทานยานี้เป็นความโลภเป็นความอยากแต่อย่างใดเพราะไม่มีใครอยากจะรับประทานยากันรับประทานเพราะความจาเป็นเพราะรู้ว่าถ้าไม่รับประทานแล้วโลกไม่หาย หรืออาจจะตายได้เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารหรือกับการใช้ข้าวของต่างๆขอให้เราคิดว่าเป็นการใช้เพื่อรักษาร่างกายของเราให้อยู่ไปวันๆหนึ่งไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ปวด่วยเช่นเสื้อผ้าเราก็ถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรจะหยุดซื้อได้แล้วถ้าซื้อเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภ ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้ใจนั้นอยากจะซื้ออีกไม่ใช่ซื้อชุดนี้แล้วจะพอแต่กับอยากจะซื้ออีกหลายชุดพอวันหลังออกไปเดินเที่ยวตามห้างเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ก็อยากจะซื้ออีกซื้อมาเต็มตู้ล้นตู้ล้นบ้านก็ยังไม่พอแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะซื้อเสื้อผ้าของไม่จาเป็นนี้เอามาทาบุญ ใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอเพราะการทำบุญหรือจาคะการเสียสละนี้เป็นการสร้างความอิ่มให้กับใจเป็นการให้อาหารให้กับใจนั่นเองจาคะนี่แหละคืออาหารที่แท้จริงของใจเรากินอาหารให้ร่างกายแล้วเราก็ต้องให้อาหารกับใจด้วยด้วยการบริจาค แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปซื้อสุราย า, มาเมามาดื่เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นต่อการครองชีพเอามาให้แก่ผู้อื่นเอามาบริจาคเอามาทำเป็นทานแล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขกลับบ้านก็ไม่รู้สึกอยากจะออกไปข้างนอกไม่เหมือนกับคนที่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ กลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็อยากจะออกอีกแล้วเพราะอยู่บ้านมันเบื่อมันไม่มีอะไรให้ซื้ออยากจะออกไปซื้อข้าวซื้อของใหม่ถ้ายิ่งมีกงินมากเท่าไหร่ยิ่งจะไม่อยู่ติดบ้านเลยจะออกนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความโลภมันจะคอยผักให้เราอยู่ไม่เป็นสุดแต่ถ้าเราได้ทำจากะคาได้บอยจากทรัพย์ ได้ช่วยเหลือผู้ใจของเราจะมีความสงบเย็นสบายจะอยู่อยู่เป็นสุขได้จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเวลาที่อยู่บ้านเฉยๆแต่กลับจะชอบอยู่บ้านเสีย อ, อีกเพราะไม่มีที่ไหนที่จะสุขสบายเท่ากับอยู่บ้านของเราไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยเท่ากับบ้านของเรา แต่ที่เราอยู่บ้านไม่ติดกันก็เพราะเราเลี้ยงกิเลสเป็นนั่นเองเลี้ยงกิเลสด้วยการทำตามกิเลสกิเลสอยากจะได้อะไรก็ทำตามมันพอทำตามมันมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นยิ่งอยากมากขึ้นก็เลยอยู่ไม่ติดบ้านอยู่ไม่ได้เวลาอยู่บ้านเฉยๆแล้วกิเลสจะทำให้เราเกิดความรู้สึกหงุดหงิดลำคางใจรู้สึก ว้าเหวรู้สึกเบื่อหนายแต่ถ้าเราได้ทาจาระคาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะชอบอยู่บ้านเราจะไม่อยากจะออกไปข้างนอกที่เกียดออกไปก็เท่านั้นออกไปกลับมาก็เหมือนเดิมสู้อยู่บ้านสบายกว่าอาบน้าอาบผ้า น, นอนสบายไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับการออกไปข้างนอก นี่คืออนิสง์ของการมีจาระพะก็คือทรั์ภายในทำให้ใจของเรามีความสุขและทรั์ภายในข้อที่สก็คือศีลศีลนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้แล้วว่ามีอนิสง์อยู่ต้องสามประการด้วยกันซีเลนะสุกติญญาติซีเลนกกะโพกัซัมปทาซีเลนะเนปุติญญาติ 3. ข้อข้อก็คือศีลจะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในสุขติถ้ารักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมไม่ต้องไปติดคุกในนรกไม่ต้องไปเป็นขอทาน เ, นเป็นเปรยไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานตายไปก็ได้ไปรับบุญรับกุศลคือไปเกิดเป็นเทพเลยได้รับอนิสงค์จากการรักษาศีล เป็นเทพเพราะได้ทําจากาเอาไว้มีทรัพย์ภายในรอเราอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อเราใช้ทรัพย์ภายในบนสวรรค์หมดแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาใช้ทรัพย์ภายในในฐานะของมนุษย์อีกต่อไปได้เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างสวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมกว่าเดิม มาสร้างทรัพย์ภายในต่อไปอีกจนกว่าจะถึงพนานิพานเมื่อถึงพานิพานแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คืออ น, นิสง์ของศีลสี่เลนะสุกติยันติผู้ที่มีศีลนี้ท่านก็บอกว่าจะมีภพภกข้ัพท์เพราะผู้ที่มีศีลนี้จะไม่หาทรัพย์มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบนั่นเอง เมื่อไม่หาทรัพยาที่นิชอบทรัพย์ก็จะอยู่กับเราจะไม่ถูกผู้อื่นเขามาทวงคืนไปถ้าเราไปขโมยมาถ้าตำรวจจับเราได้เขาก็จะเอาทรัพย์ทั้งหลายที่เราหามาได้นี้เอาคืนไปหมดเลยแต่ถ้าเราหาทรัพย์ด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ผิดกฎหมายตำรวจเขามายึดทรัพย์ของเราไปไม่ได้เขามาไถ่เราไม่ได้ เพราะเราไม่มีทาความผิดอะไรที่จะทำให้เขาต้องมาถายเราแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายทาผิดศีลเราก็เปิดช่องให้เขามาถายเราได้แล้วเมื่อถ้าเราไม่ยอมให้เขาถายเขาก็จะจับเราและจะยึดทรัพย์ของเราทั้งหมดไปเพราะเราไม่หาทรัพย์มาด้วยการด้วยดวยวิธีที่ถูกก็คือไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง ถ้าเราทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์จริงทรัพย์ทั้งหลายที่เราหามาก็จะเป็นของเราจะอยู่กับเราจะปลอดภัยท่านถึงบอกว่าผู้มีศีลนั้นจะมีโภคพย์จะไม่หมดเนื้อหมดตัวจะไม่ถูกเขายึดทรัพยนะ์และข้อที่สามก็คือสี่เลนะนิปุติันติศีลจะทำให้ไม่มีความทุกข์ภายในใจ เวลาที่เราทำผิดศีลใจของเราเป็นอย่างไรสบายใจหหรือมีความทุกข์มีความกังวลต่างๆกังวลว่าจะต้องใช้เคราะ์ใช้กรรมจะต้องใช้จะต้องถูกจับไปลงโทษหรือจะถูกเขาประนามถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเราโกหกอย่างนี้เราก็กลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราโกหก ถ้าเราลักทรัพย์เราช่อบโกงเราก็กลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราชอบโกงความกลัวนี่แหละเป็นความทุกข์ทำให้ใจของเราไม่สงบไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ทำผิดศีลเราไม่โกหกเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดโดไม่นีเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใจของเราจะสงบเย็นสบายไม่มีความหวั่นไหวกับข้อกรรมที่จะตามมา เพาะเราไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายนั่นเองนี่คือทรัพย์ภายในข้อที่สามขอให้เราพยายามสะสมกันส่วนทรัพย์ภายในข้อที่สี่ก็คือปัญญาความฉลาดความเห็นที่ถูกต้องเห็นความจริงรับความจริงได้เห็นว่าเราอยู่ในโลกของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเห็นว่าเราอยู่ในโลกของการเกิดและการดับ ของการเจริญและการเสื่อมเราอย่าไปอยากให้มันเจริญอย่างเดียวอย่าไปอยากให้มันเกิดอย่างเดียวเพราะมันอะไรตตามถ้ามันเกิดแล้วมันต้องดับอะไรที่มันเจริญมันต้องเสื่อมเช่นลาบยศสารเสริญสุกนี้มันเจริญได้มันก็เสื่อมได้เจริญลาบได้ก็เสื่อมลาบได้จเจริญยศได้ก็เสื่อมยศได้ มีสรรเสริญก็ ม, มีมีนินทามีสุขก็มีทุกข์ขอให้เรายอมรับทั้งสองด้านอย่าไปเอาเพียงด้านเดียวถ้าเราเอาเพียงด้านเดียวใจของเราจะมีความทุกข์เพราะเวลาเกิดความเสื่อมแล้วเราจะรับมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องเสื่อมและเราพร้อมที่จะรับมันเวลามันเสื่อมเราจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่มีความทุกข์ จะมีความสุขบางทีอาจกับจะรู้สึกสบายซี่ดีหมดไปได้ก็ดีจะได้ออกบวชได้ถ้ายังมีทรัพย์ยังมีเมียอยู่อย่างนี้ยังออกบวชไม่ได้แต่ถ้าถูกเขายึดทรัพย์ไปเมียก็หนีไปอยู่กับชู้อย่างนี้ก็จะสบายใจออกบวชได้เลยหมดพากะนี่คือการมองด้วยปัญญามองอย่างนี้จะได้มีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในให้มากขึ้นไป จะได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวก์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ต้องทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งทรัพย์สมบัติถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังติดลูกติดเมียยังติดทรัพย์สมบัติอยู่ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่คือทรัพย์ภายในที่พวกเราควรให้คำสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกพระทรัพย์ภายนอกมันไม่แน่นอนมันเป็นสมบัติผัดกันชม วันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้อาจจะเป็นของคนอื่นไปก็ได้แต่ทรัพย์ภายในนี้เป็นของเราไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาสร้างทรัพย์ภายในนี้ให้ท่านได้นำเราไปพิิจพิจารณาและปฏิบตัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุ้มพระศีรดานาตรายัยแย้บญมญอกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแขวงลรดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ